ทำไมถึงจะคิดว่าตัวเองจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมถึงไปคิดแบบนั้นคนที่มีความกล้ากล้าที่จะลงทุนให้กับปัญญาความรู้การศึกษามันเป็นคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขา ในคนกลุ่มบุญเราเนี่ยในห้องบุญเนี่ยมีสองร้อยกว่าสามร้อยเนี่ยมีพวกเราอยู่เจดสิบแปดคนแค่นั้นเองไม่ถึงครึ่งด้วยที่กล้าสละเงินเข้ามาเรียนในคอสนี้ลงทุนให้กับความรู้ให้กับการกศาึกษาทุกอย่างแหละอาจจะ ไ, ไม่ได้เอาไปใช้ก็ตามเหมือนเรียนในมาวิยลัยเรียนปริญญาอะไรก็ตามเนี่ยมันแตกต่างนะมันไม่เหมือนนะกับการที่เราลงทุนไปซื้อเทปซีดี คอนเสิร์ตไปกินอาหารไปเที่ยวรอบโลกมันคนละเรื่องกันนะการลงทุนให้กับปัญญาคือการลงทุนให้กับนมามธรรมจํำไว้น ะ, ะนมามธรรมเนี่ยมันเป็นตัวสร้างรูปธรรมในอนาคตในพุทธศาสนาเราเนี่ยเรามีการวางศีลสติสมาธิและปัญญาการทําทุกอย่างไปเราไปเพื่อยอดเนี่ยการลงทุนรักษาศีลก็ตามก็เพื่อให้เป็นฐานแห่งสมาธิและสมาธิไปเป็นฐานแห่งปัญญา ทั้งหมดทั้งปวงไปเพื่อปัญญาดังนั้นและกล้าเพื่อลงทุนเพื่อสิ่งสูงเนี่ยมันเป็นคนที่มีศรัทธานะในศรัทธาเนี่ยเป็นฐานสําคัญในการบรรลุธรรมฤาจจะเรียกอินทรีห้าก็ต้องมีศรัทธาพระห้าก็ต้องมีศรัทธาในข้อธรรมสาคัญแห่งแสงเงินแสงทองก็ต้องมีศรัทธาแม้ในมรรคก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเนี่ย ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาที่ถูกต้องนั่นความกล้ากับศรัทธาเป็นเรื่องเดียวกันและความกล้ามีความรักเจืออยู่มันคือการทํางานด้วยความรัก Work with love อะ่ะเข้าใจไหมเพระฉะนั้นผู้เรา น, นไปทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จถ้าผู้เรากล้าและเลือกจะลืมนะพอมัติฐานแล้วนะว่าใครเกี่ยวข้องด้วยนับแต่นี้ไปให้เจริญเท่านั้น มากน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้เจริญเท่านั้นผมถึงคัดกรองเอาคนที่จะมาเจริญโดยธรรมชาติคือคนที่มีความกล้าและใจใหญ่กว่าเงินไงนั่นเป็นบันไดข้อแรกไม่ได้ว่าผมสอนดีไม่ดีนะแค่คุณกล้าที่จะเข้ามาถามกล้าที่จะสละดได้ชวิตคุณเปลี่ยนแล้วเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะนี่ไม่ใช่มาเก็ตติ้งนะผมไม่ทามาเก็ตติ้งนะถ้าผมทำมาเก็ตติ้งผมจะทาไปนานแล้ว คุณคงจะเห็นผมดังหรือออกทีวีอะไรไปมากมายแล้วเห็นแฟนคลับติดตามผมเป็นพันเป็นหมื่นแล้วถ้าผมจะทำมาร์เก็ตติ้งผมไม่ได้ทำมาค์เก็ตติ้งเนี่ยผมทํารูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกับที่พระเจ้าท่านทำํำถอยกลับมาก็ได้เมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสทํางานวิจัยชิ้นใหญ่ที่รับทุนก้อนใหญ่ชื่อการบ่มเพาะความสุขทางใจในผู้สําเร็จ ผมเขียนทฤษฎีขึ้นเป็นกระบวนการสร้างทฤษฎีทําให้ผมไม่มีโอกาสเดินทางไปคุยกับผู้คนที่ประสบความสําเร็จนั้งในระดับประเทศนานาชาติแล้วก็ในระดับท้องถิ่นเยอะมากมันก็มีคําถามหลายคําถามว่ากว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยเขามีการหล่อเลี้ยงความสุขของเขามาอย่างไรและมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งที่ผมจะใช้เวลาอยู่กับมันนานมากเลยก็คือการถามว่าคุณ ก้าออกจากความทุกข์ได้ยังไงแล้วก็คุณคุณเติบโตขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือไม่ระทั่งคุณสร้างเนื้อสร้างตัวหมดนี้หมดสินได้ยังไงเพราะตอนที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ย น, นะผมสนใจเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวจากความสุขั้นทุกๆคนก็จะบอกผมเป็นน้ำเสียงเดียวกันว่าเขาเคยผ่านความทุกข์มากมายคนใหญ่ๆที่คุณรู้จกักวิ ค, คมกมเดิตบัณฑิตอึ่ง ร, งรังสีดังตินเนี่ยผมก็สัมารถมาละ อาจารย์อดอ์ชุมสายนิจญาและและพระดังๆอีกหลายรูปนะครับถ้าเอ่ยชื่อไปพวกเราจะโอ้เลยนะที่ปรึกษาบริษัทชั้นนําอย่างเคืจะเริญพบ ก, กับพันธุ์เงี้ยผมก็ไปนั่งคุยกับท่านท่านมาละนะครับเป็นอาจารย์ผมเองนั่งคุยกันนา น, นไม่มีใครไม่มีความทุกข์ท่านทั้งหลายและไม่มีใครที่ว่ามาแบบสบายๆชิวๆไม่มีแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้เดินออกมาได้เ้ากล้า เขากล้าลงทุนเพื่อบางสิบบางอย่างในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้ามันถึงทําให้เขาขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการได้เพราะถ้าเขาคิดเหมือนคนส่วนใหญ่เขาก็คงเป็นลูกน้องใช่ไหมเพราะเจ้าของโรงงานมันต้องคิดไม่เหมือนกับพนัก ง, งานในโรงงานมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งคือมันต้องรู้มันไม่ใช่ความคิดโดยมันรู้สึกอีกแบบหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตต้องดีให้ได้ชีวิตต้องเอาดีได้และที่สํำคัญมันกล้าเสี่ยงมันรักมากพอที่จะกล้าใน่ณะนั้นตอนนั้นเนี่ยผมลาออกไปเรียนต่อปริญญาเอก ตอนนั้นผมรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกล้าดึงไม่มีใครลาออกแต่จากราชการในยุคที่เศรษฐกิจโอโห่ถดถอยต ก, ต, ก, ต, กต่ำนะครับแล้วก็อาชีพราชการน่าจะเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดแต่ผมผมตัดสินใจลาออกลาออกไปเฉยๆเพื่อไปทำตามความฝันในเวลาผ่านไปผมต้องบอกตัวเองว่าผมคิดถูกและพ่อแม่ผมคนที่เคยดูถูกผมต่าง กลับมาเช่นชมผมหมดและบอกว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนี้ตอนวินาทีนั้นก็คงไม่มีวันนี้ก็คงไม่ใช่คนที่สามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของตัวเองได้มันเป็นเรื่องความกล้าแต่ว่าเรากําหนดทิศทางมันหน่อยว่าเรากล้าที่จะทุ่มหรือภาษาทุ่มก็คือการลงทุนนะ่ะ เอาเวลาเอาความคิดเอาแรงงานสถิตปัญญากําลังทรัพย์ค่าใช้จ่ายเราไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับความดีงามเราจะได้ความดีงามตอบแทนกลับมาไปอยู่กับปัญญาเราจะได้ปัญญาตอบแทนกลับมาไปอยู่กับสิ่งไร้สาระเราจะได้สิ่งไร้สาระตอบแทนกลับมาไปอยู่กับความสุขชั่วคราวเราจะได้ความสุขชั่วคราวตอบแทนกลับมามันก็อยู่เราไปลงทุนกับอะไรไอ้ความกล้าเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนนะดูคนนะคนที่มีความกล้าใดส่นใหญเนี่ย ถ้าฐานสีไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยกลา้ามันไม่เหมือนเล่นการพนันนะนะครับในการกล้าลงทุนคุณไปดูนักเล่นการพนันที่ไหนมันเรียนบปริญญาเอกบ้างไม่มีคือไม่มีนักเล่นการพนันแบบนักเล่นหวยเล่นเลขเล่ น, เ, ล น, เ, ลนเบอร์เล่นไพ่ไฮโลอะไรที่อยากจะเข้าไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเอาปริญญาเยอะๆนะครับหรือว่ามาหาเรียนคอร์สนั่นคอร์สนี่ไม่มีมันมีแต่คนที่อยากได้อยากดีทั้งนั้นนะที่เขามาหาเรียน เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะมันเป็นคนความกล้าหานคนละแบบว่าพวกเราตัดสินใจที่จะมาเรียนตัดสินใจที่จะมาพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้เนี่ยเราก็คิดไม่เหมือนกับชาวบ้านแล้วเราคิดไม่เหมือนเขาเราแตกต่างจากเขาแล้วเหลือแค่เติมน้ํามันให้เต็มถังเพื่อให้รถมันสามารถวิ่งทางไกลได้แค่นั้นเองแค่เราตัดสินใจนะครับขับรถออกจากบ้านเนี่ยเพื่อมุ่งไปสู่ทางที่เรียกว่าผ้าวันเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเชื่อว่า มันจะเป็นนี่ไม่ใช่แค่ในการเรียนในห้องนี้นะครับทั้งหมดเลยการปฏิบัติธรรมนะครับการศึกษาหาความรู้อื่นๆหรือว่าอะไรเนะี่ยก็ตามเนี่ยที่มันเป็นทางดีนะคงเรียกว้ว่าทางดีแล้วเป็นความสำเร็จเป็นความยั่งยืนเป็นแก่นแท้ของชีวิตเนะี่ยเราจะได้สิ่งนั้นในวันใดวันหนึ่งแต่เร็วช้าก็ขึ้นอยู่กับน้ํามันในรถเราด้วยนะครับเราเติมให้มันมากขนาดไหนน้ำมันในรถก็คือสินสติสมาธิปัญญา น, นั่นแหละถึงง่ายๆน้ำมันในรถก็คือ ตัวปัญญาคือทรัพยากรต่างๆที่จะเอื้อส่งเราไปจนกระทั่งถึงแค่นั้นเองฉะนั้นแค่กล้าเนี่ยคุณก็ต่างจากคนอื่นแล้วฉะนั้นอย่ามาพูดนะครับไม่ได้ยิน่ากลัวว่าตัเองจะประสบไม่ประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเลยมันไม่เป็นเหป็นผลเป็นไรเพราะคุณมีสิ่งที่คนสำเร็จเขามีกันคือความกล้าหาญ ความกระหายตอบปัญญาการที่อยากจะได้อยากจะเอาปัญญานะ